โทรศัพท์มือถือที่เราใช้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหลายระบบนะระบบในที่หมายถึงว่าระบบใช้งานระบบหนึ่งที่หลายคนคุ้นเคยดีก็เรียกว่าโหมดนะ flight mode flight นี่ก็หมายถึงเที่ยวบินหมายความว่าเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็ให้เปิดโหมดนี้เพราะว่า ถ้าใช้ไฟโมดเนี่ยมันก็จะตัดสัญญาณโทรศัพท์รวมทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะเวลานักบินเนี่ยเข า, าพาเครื่องขึ้นลงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอีกโหมดหนึ่งนะเขาเรียกกันนะมันยังไม่มีจริงในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ ชื่อว่าโหมดมังคหรือมังคโหมดนะมังคี่แปลว่าพระโหมดนี่ก็หมายถึงระบบหรือการใช้งานมันเป็นระบบที่ช่วยทำให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยยังรับสัญญาณโทรศัพท์ได้แต่ว่าไม่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็หลุดของไ i ได้วย คนก็ใช้โหมดนี้มากนะเพื่อที่จะบล็อกพวกเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram อาจจรมถึง l ล n e ด้วยนะอันนี้เพื่ออะไรนะเพื่อความสงบนะมังโหมดนี้อาจจะแปลว่าโหมดสงบก็ได้นะเดี๋ยวนี้คำนี้เนี่ยมันก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากนะเพราะว่ามีคนทำา t i k ต็อนะเป็นวิดีโอสั้นๆนะ พูดถึงโทรศัพท์ที่ใช้ระบบเนี่ยมังคโหมดว่าคนดูนี่เกือบ80ดล้านวิวนะแสดงว่าคนสนใจมากแล้วก็เลยทำให้ไอ้คำเนี้ยเริ่มจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อไปก็คงจะเป็นที่รู้จักในเมืองไทยนะทำไมคนถึงมาใช้โหมดนี้มากขึ้นนะเพราะว่าอยากมีสมาธิ เวลาทำงานเนี่ยบางคนก็อาจจะอยากจะใช้โทรศัพท์เวลาคนติดต่อหรือเวลาจะติดต่อคนแต่ไม่อยากมีโซเชียลมีเดียมารบกวนเช่น facebook i n s t a g กร m หรือว่าไลน์เพราะเวลาพวกนี้เนี่ยมันทำงานเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเตือนเสียงเรีกเตือนติ้งจังติ้งจัง หรือบางทีอาจจะไม่ส่งสัญญาณเตือนเป็นเสียงแต่ว่าส่งข้อความมาทางจอโทรศัพท์คนบางคนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้พอมีโทรศัพท์มือถือแล้วจอนี่มันปรากฏข้อความหรือปรากฏเสียงนี้มาเนี่ยเขาจะไม่มีสมาธิเขาก็เลยบอกบอกว่าเนี่ยใช้หมวดนิสัยเลย ยังทำงานได้อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อค้นข้อมูลโดยใช้ Google นะก็ยังใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้มันมันมันคุมได้นะว่าจะให้ให้ปุ่มมากน้อยแค่ไหนบางคนก็บอกว่าเนี่ยยังอย่างใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อพูดคุยติดต่อ ง, งานแล้วก็ อยากใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อเ e ิร์ช Google หาข้อมูลแต่ว่าไม่อยากจะถูกรบกวนด้วยพวก Facebook นะพวก Instagram นะพวก l ล n e พวกเนี้ยก็ใช้วิธีบล็อกมันซะเลยเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมนะหรือเ้าเรียกว่าแอปแอปหนึ่งที่มีเป็นที่นิยมมากชื่อว่า Freedom, นะฟร e ดอมนะ r e e d o m แปลว่าอิสรภาพ แอปนี้มันสั่งได้เลยนะว่าจะให้จำกัดสัญญาณมากน้อยแค่ไหนจะจำกัดเฉพาะโซเชียลมีเดียจำกัดเฉพาะเว็บไซต์หรือว่าไม่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่ายังรับสัญญาณโทรศัพท์ได้นะยังใช้พูดคุยได้แลวคนนิยมมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำงานเนี่ย คนเนี่ยไม่มีสมาธิเลยเพราะว่าคอยพวงนะอยู่กับข้อความบางทีก็มาทางอีเมลบางทีก็มาทางเฟซบุ๊กบางทีก็มาทางไลน์หรือถ้าเป็นเมืองนอกอาจจะใช้พวก Whatsapp นะวีแชทอะไรพวก น, นี้เป็นกันมากแล้วเดี๋ยวนี้นี่มันแม้กระทั่งเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ย นะความความนะความจอเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ดูหน้าจอมีอะไรนะหลายคนก็ยังไม่มีสมาธิอันนี้เขาทําการทดลองมาแล้วนะให้ทำให้ตอบปัญหาซึ่งไม่ยากอะไรนะคนนึงก็ปิดโทรศัพท์มือถือเลยอีกคนนึงแค่คว้ามโทรศัพท์มือถือไอคนที่คว้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะไม่มีสมาธิดูจากผลการทําทํา ตอบคำถามนี่คะแนนน้อยกว่าหรือแม้แต่เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใส่แกะนะจะได้ไม่ไม่มีข้อมูลหรือภาพเนี่ยมารบกวนแต่เจ้าตัวหรือเจ้าของก็ยังพะวงนะพะวงว่าจะมีคนส่งข้อมูลอะไรไหาะฉะ น, นั้นเนี่ยปิดโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยจะทําให้มีสมาธิดีที่สุด แต่คนเดี๋ยวนี้ปิดโทรศัพท์มือถือที่มันยากมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเผื่อคนโทรศัพท์เข้ามาหรือว่ามีเหตุจะต้องโทรออกไปแต่ก็ไม่อยากให้ยังไม่อยากถูกรบกวนจากพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะมันก็เลยมีแอปนี้ขึ้นมาชื่อแอปฟร e ดอมเนี่ยคนก็ใช้กันเยอะนะอันนี้ก็ ช่วยทำให้โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ในระดับมังค์โหมดนะคือโหมดวิเวกหรือโหมดสงบนั่นก็น่าสนใจนะคว่าฟร e ดอมเนี่ยมันแปลว่าอิสระเสะรีแต่ก่อนคนเข้าใจว่าเสรีภาพเนี่ยจะมีได้ต้องมีโน่นมีนี่มีรถทำให้เรามีเสรีภาพอิสระในการเดินทางนะไม่ถูกจำกัด ด้วยระยะทางโทรศัพท์มือถือก็ทำให้เรามีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากมายแต่ว่าเดี๋ยวนี้สาหรับฝรั่งเนี่ยจำนวนมากีันฟ e e d o มอิสระจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีการลดการละต้องละต้องปิดกัน้นสัญญาณบางสัญญาณเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าไปเปิดรับมันก็จะเกิดความผวงองคนเรายังเข้าใจเสรีภาพในความหมายนี้น้อยนะเสรีภาพจะมีได้ต้องมีโน้นมีนี่คนจึงอยากมีกันเยอะๆเพราะคิดว่าถ้ามีเสรีภาพมีเงินมากก็มีเสรีภาพมากจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้แต่ว่าในทางวุตถศาสนาเนี่ยเสรีภาพนี่มันเกิดขึ้นจากการลดกันละอาจจะเริ่มต้นจากการ ลดการละการบริโภคการครอบครองเพราะว่าผู้นี้มันเป็นภาระพอมีภาระแล้วมันไม่เกิดเสรีภาพหรืออิสระภาพนะมันเกิดมันเกิดภาระขึ้นมาเกิดพันธะขึ้นมาต้องดูแลนะและต่อไปเนี่ยมันต้องลดละในเรื่องของข้างในด้วยไม่ใช่แค่ข้างนอกนะเรื่องของกิเลสตัณหาความอยาก ในทางพะศาสนาเนี่ยยิ่งลดละมัธยัยยิ่งมีสระมากเท่านั้นอย่างพระเนี่ยนะผู้เจ้าก็ออกแบบชุดมาเพื่อให้มีอิสระมากที่สุดทั้งที่มีบริขารไม่กี่อย่างมีแค่อัตบริขารแต่ก็ช่วยทําให้มีอิสระภาพมากขึ้นเพราะว่าพอมี บริขารน้อยมีข้าวของน้อยมันก็มีภาระน้อยพอมีภาระน้อยก็มีอิสระภาพมากขึ้นยิ่งฝึกสมาธิทากรรมฐานนะลดละกิเลสลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมันก็จะมีอิสระทางใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสระภาพเนี่ยพุทธศาสนาก็วัดจากนะชีวิตเนี่ว่ามี ต้องพึ่งพาสิ่งเสพต้องพึ่งพาวัตถุมากน้อยแค่ไหนถ้าพึ่งพาน้อยนะมีความสุขได้ง่ายด้วยอัธบริคานไม่กี่อย่างไม่กี่ชิ้นอันนี้ถือว่ามีอิสระภาพไอ้แอฟริดัมนี่มันก็เหมือนกันนะจะมีอิสระนะในการทำอะไรเนี่ยก็ต้องลดต้องละละข้อมูลข่าวสารหรือว่าต้องบล็อกนะอินเทอร์เน็ต หรือว่าบล็อกโซเชียลมีเดียไม่ใช่ว่ายิ่งเข้าถึงเยอะๆมา ก, มากๆนี่จะมีอิสระเสรีตังที่ไหนได้นะมันกลับกลายเป็นภาระทำให้เกิดการขาดสมาธิเกิดความหนักอกหนักใจทำงานก็ทำงานได้ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าต้องถูกแทรกนะ หรือว่าต้องไปพะวงกับเรื่องพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ยังลดละการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้นะแต่ถ้าว่าใครที่ลดละได้ก็ยิ่งดีนะก็ทำให้มีอิสระเสรีได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีโทรศัพท์มือถือแล้วมันจะเพิ่มเสรีภาพให้กับเราเพิ่มอิสระภาพให้กับเราบางทีมันก็ทาให้เรามีอิสระเสรีน้อยลงตกเป็นท่าของสิ่งแสบมากขึ้นบางทีก็ตกเป็นทาของการพา น, านันตกเป็นท่าของอ ความบันเทิงตกเป็นท่ายของโซเชียลมีเดียไม่ได้มีอิสระเสรีอย่างที่เข้าใจเลยก็เลยมีแอปแบบนี้ขึ้นมานะซึ่งทำให้หลายคนพบว่าเออมีอิสระเสรีมากขึ้นนะแต่ว่าเป็นอิสระเสรีที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีนะถ้าว่าเราสามารถนะทำได้ที่ใจของเราเลยนะมันก็ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีก็ต้องฝึกเอาไว้ด้วยนะ